ค่อยๆฝึกนะค่อยๆฝึกของเราไปคนที่สนใจาศาสนากันเยอะแยะนะแต่ก็น่าเห็นใจอย่างจะศึกษาธรรมะนะั้นไม่ใช่เรื่องง่ายๆเพราะธรรมะมีเยอะเหลือเกินนะเยอะแยะไปหมดเลยตำลับตำราก็มากมายนะแค่พระไตรปิฎกก็ต้องเยอะละหลายสิบเล่มอัตถกถาอะไรตอนน่ออะไรเยอะแยะไปหมดนะ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 เมื่อเราปีสี่สามนะหลวงพ่อมาที่นี่ตอนนั้นยังเป็นคราวาสหลวงปู่เหียนยังมาเทศอยู่ตอนนี้ท่านไม่เทศให้เราฟังแล้วนะแต่ท่านนอนให้เราดูอันนี้ตอนนั้นก็มีคราวาสเนี่ยชอบมาช่วยโอกาสตอนที่หลวงปู่ฉันอาหารเนี่ยจะมาถามธรรมะหลวงพ่อวันหนึ่งก็มีคราวาสคนหนึ่งนะเดินดุยดยมาถามหลวงพ่อ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 มีตัณหาเป็นแรงผลักดันตัณหาก็คืออยากให้มันมีความสุขอยากให้กายให้ใจมีความสุขืออยากให้ตัวเรามีความสุขอยากให้ตัวเราพ้นทุกข์นะความอยากนี้แหละผลักดันให้เราดิ้นรนไปเรื่อยๆถ้าเรามีมีสติรู้ทันจิตรู้ทันใจนะรู้ทุกสิ่งด้วยความเป็นกลางจิตจะหมดความดินน้นรนหมดความอยากจิตไม่ถูกตัณหาผลักดันนะจิตจะเป็นอิสระขึ้นมาค่อยฝึกนะไม่ยากอะไรหรอก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 คือมันยากนะหลวงพ่อปรโมโอบอกทำไมมันง่ายนะเนี่ยลูกศิษย์ท่านจามาเล่าให้ฟังครนะูบาโน่นสอนเล่าให้ฟังนะบอกว่าครูบาอาจารย์พูดอย่างนั้นก็ถูกของท่านนะหลวงพ่อก็ถูกเพียงหลวงพ่อมันคนละมุมกันมันยากมากที่คนคนหนึ่งจะตื่นขึ้นมาแต่เมื่อตื่นแล้วมันง่ายมากที่จะเข้าถึงมรผล น, นิพพานนะมันคนละมุมกันนะ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 อใครจะถามมีไหมหรือยกเลิกไปหมดแล้ว <c oughs> โอ้มีจนได้เหรอ <c oughs>